หน้าร้องเจ็ดสิบหกสุขาบทที่สี่สิบเจ็ดนะครับพิสูตผู้ไม่อาพาธคืนดีการปร่าวลานาด้วยปัจจัยได้ตลอดสี่เดือนปัจจัเป็นศักนะใช่ไหปัจจัยเป็นศักนะครับได้ตลอดสี่เดือนยกเว้นมีการปร่าวลานาซ้ําอีกและยกเว้นแต่เป็นการปร่าวลานาตลอดชีวิต หากว่าที่สุพึ ง, งยินดีเกินกว่านั้นต้องอาบาัตปารจิตติที่สุพูมาอาภายินดีปราณด้วยปัจจัยเภสั์ก็เภสัชห้านะในสายในข้นน้มน้นพุน้ำอ้อยในสิาบทนี้นะได้ตลอดสี่เดือนคะว่าสี่เดือน<ม>ท่านย่อบรรทุกใหญ่เฉย น, นะครับจะกี่เดือนก็แล้วแต่ที่ทายกเข้ากำหนดไว้นะกาหนดไว้นะครับ เพราะว่าการปวนาเนี่ยมีปวนากำหนดสองอย่างนะกำหนดระยะเวลาก็ได้กําหนดปัจจัยก็ได้นะครับระยะเวลาในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอพระเจ้ามหานามําหนดว่าจะปวนาสมนะครับด้วยปัจจัยเทวสัตวเป็นเวลาสี่เดือนเนี่ยชีสุก็ยินได้แค่สี่เดือนใช่ไหมถ้ายกหมวกว่าขอปวนาหนึ่งปีก็ยินได้หนึ่งปีใช่ไหมครับและแต่ทายยกเขาจะปวนาเรา แค่นั้นนะคือขอได้แค่นั้นหละครับถ้าเกินนั้นก็ไม่ได้นะครับอันนี้แล้วก็ถ้าเขากําหนดตัวอะไรนะักเพศสัณฑ์นะก็บอกอะไรขอถวายในสาในข้อนี้นะแล้วก็ขอได้แค่นี้นะครับ mm hmm. หรือว่าโภนาถ้าอย่างนมีไสาในข้อน้ามันน้าพิงน้ำอ้อยแต่โภนานแค่สองธนาไม่ได้ขอเกินนี้ใช่ไหแล้วขอได้แค่นี้นครับถ้าขอเกิกนกําหนดนะอย่างระยะเวลาก็ดีกาหนด กำหนดเกินเพศสัตวก็ดีนะเ้ากำหนดไม่พอดีนะเกิเพสัตว์นัก็ดีนะครั บ, นน อ, นะรบอันนี้ก็จะต้องอาบัดไปในสิคามวันี้ยกเั้แนแต่พอหมดเวลาใช่ไหมเขาก็โป่นวซ้ำต่ออายุก็ดีนะครับนหรือว่าขอโปนานตลอดชีวิตเลยนี่นครั บ, รบอันนี้ไม่มีปัญหานะปัญหารครับอย่างถึงเนี่ยตอนนี้ในสิคาบวนี้พูดถึงการโปนาะนสมนะครับ ที่เข้ามาปวนาสงเนะี่ยต้องทอํานึ่งนี้เลยครับต้องลักษณะนี้นะแต่ว่าอันนี้เหมือนอพิสูจุ์ผู้ไ ม, มา่าภาพแต่ถ้าเข้าปวนาส่วนตัวก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมโดยคนนีนมมนนน้มันจะจนนสนี ล, ลักษณะอย่างนะครับแต่ว่าถ้าป่วยไหมถือว่าเราป่วเรา ย, ยังต้องการยาอเข้าปวนาสงใช่ไหมแต่ระยะเวลามาหมดแล้วเนี่ยเราทํายังไงเราก็สามารถบอกเข้าได้นะครับว่าโยมปวนาก็าสงค์ว่า แต่จำมายังต้องทานยาจำมาไม่สบายนะครับแล้วก็บอกเขาแ้วทาจะให้หรือไม่ให้เขแล้วแต่ผมรู้สึกอาภัพนะสามารถบอกได้ใช่ไหมครับอือฮะหรือโยปวนาเพศสามไวเท่านี้แหละนะแต่จำมาป่วยยังต้องการเพศสามอีกก็บอกได้ในกรนี้รู้สุกผู้ป่วยนะครถ้าไม่ป่วยนะยังไปขอต่ออย่างงั้นอีกถ้าท่านนี่มาหมดเวลาหรือว่ามันเกินกาหนดไล้วใช่ไหมยังไปขอต่ออย่างงั้นอีกไม่ได้ ก็จะต้องบรรพไปตีในสิกขาบทนี้นี่นะมีเว้นแต่ข้าวบัวนะซ้ำหรือโลาวาตลอดชีวิตนะครับท่านก็เลยบอกว่าหาว่าที่สูบคือยินดีเกินป่านนั้นเกินกว่าระยะเวลาหรือจํานวนเพศสันนะครับต้องบำบัดปับจจิต <c oughs> ไม่อยู่ไม่อยู่ในปัจจัย4ตอนนี้อาจารย์เห็นว่าท่านโอเคพี่ใช้ไม่ใช่ว่าว่าไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในปัจจัย4ปัจจัย4นะอาหารบิเอร์บารยารักษาโรคเซนาสนาจีวอร์ใช่ครับเครื่องดูดก็มีแค่นี้นะการเกิดอะไรพวกนี้มันไม่อยู่ในปัจจัย4เป็นปัจจัย5นะสมัยนี้เยอะปัจจัย5ปัจจัย6เกิดขึ้นมาเยอะมือถือพวกนี้นะครับหมดเลย ไม่ใช่ปัจจัยสีแล้วก็ไม่ได้ถ้ า, าเขากาหนดแค่นั้นนะคะรับเพราะสีมันมันล็ะกกาตัวแล้วถ้าว่าปัจจัยที่สมควรแก่สมณะนี่นะนั่นแหละมันถึงจะได้เยอะนะครับท่านก็นเลยแนะนําให้เปลี่ยนคายําใบภาวนานะเป็นปัจจัยที่สมควรแก่สมณะนะครับผมเป็นความตั้งใจก็คิดว่า ครับครับนัขอขอขอ่นแหละขอไม่ได้นะครับถ้าขอปัจจัยดีจะต้องขอสี่อย่างใชไหมสี่อานจริงๆครับถ้าถึงขนนั้นไม่ได้ถ้าทางนี่เป็นกำลังอย่า ง, น, น, งนี้เลยนะแต่ว่าจะตุค้อถวายจะตุปัจจัสมควรอ่ะขอถวายจะตุปัจัยใช่ไหมถ้าพระคุณเจ้ากระสงคทิ้นเลยทิ้งไปอย่างนี้นะ <c oughs> แล้วก็เรียนร้องไดแค่นั้นนะครับเกิด น, นั้นไม่ได้เกิด น, นั้นก็โดนนะถือว่าเกินที่ฐาขนขลรค์ เราดูต้นมันอย่างนี้จะทาใล้เราเข้าใจเกี่ยวัข้ามาุ่างขึ้นมาอะเยวกล้านเลยเรื่องของข้ามหานามาัเรื่องมหานามาสานกยะโดยสมัยนั้นพภา พ, พุทธเจ้ากระทับอยู่ณ น, นิโคธาราเขตพระนครกับวิรุฬพสกัดชนบทครั้งนั้นมหานามาสากยะมหานามาสากยเ เป็นพี่ชายของพระอนุรุทธะใช่ไหมครับอยู่ในฐานะเป็นสั์เนี่ยเป็นพี่ชายเพระพม่ไเจ้าหรือเปล่าลูกผู้พี่หรือลูกผู้น้องครับลองแเขาบอกเป็นพระโอรสแห่งพระเจ้าอาของผู้พ่อผ้าเจ้ า, านะครับแก่กว่าผู้พ่อผ้าเจ้าเพียงเดือนเดียวอ๋อเดือนเดียว น, นะเป็นพระอริยสาวกดํารงอยู่ในผลทั้งสองคือพระสกาาทาคารีเทียหครับ ทรงพรนามว่าเท้ามาหานางมานร์กเรียกพระจามาหานามากพระทธเร้าลูกผู้น้องลูกผู้น้องนผู้น้องอ่าใช่ไหม <โด S 1> อ่าใช่ใช่เป็นลูกของน้อง <c oughs> ของพระพุทธเจ้าใช่หมครับเป็นลูกของคุณโตเนีย่ยครับเป็นลูกผู้น้องหมนเลย มีนี่คุนะครับมีนมีเพสัมากมายนะเจ้ามหานามากนะจึงเข้อข้อคุณ้าะเจ้าถวายบังคมแล้นั่งนั่งที่ควรสื่ข้างหนึ่งด้วยกล่าวคุณว่าข้าพุทธเจ้าประสงค์จะปรนนาต่อสงด้วยปัจจัยเพสัตตลอดสี่เดือนพระพุทธเจ้าข้าเมื่อพระเจ้าตรัสว่าดีดีมหานามะถ้าเชนั้นเธอจงปรนน่าต่อสง ด้วยปัจจัยเภศัช ต, ตลอดสเดือนเธอพิสุทธ์เท่าไหร่รังเกียร์ไม่รับประทานเาพราะพุโหนนี่มันในสองนิยามใช่ไหมเหตุการรับประนานเหล่านี้นะครับเท่างหร่ที่ังเกียร์อยู่ได้กล่าวทูณเห็นนั้นแด่พุทธพาเจ้าพึุทธพาเจ้าทรงอนุญาตว่าดุก่อนพิสุทธิ์เท่าเราอนุญาตให้ยินดีการปรณาด้วยปัจจัย4ตลอดสเดือนปัจจัยเภสัชนีนะ้ก็สมัยนั้นแหละพิสุทธ์เท่าไหร่ขอปัจจัยเภสัช ต่อมหานามสัสสากยะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นปัจจัยเพศสารของมหานามัสสักยะจึงยังคงอยู่มากมายครับอยู่ตามเดิมนั่นแหละเพราะมีศรัทธานนะพระองของให้เล็กน้อยนะครับแม้ครั้งที่สองมหานามัสสัยะก็เข้าเข้าบุญมาพาน้ า, าถวายบูคมแล้วนั่งนะั่งดิฉุนส่วนข้างหนึ่งได้กล่าวทูดว่า พระพุทธเจ้าประสงค์จะปอนาต่อสงด้วยปัจจัยเพศสามต่ออีสี่เดือนครับเขาต่ออีสี่เดือนนะพระพุทธเจ้าข้าเมื่อข้าเจ้าตามว่าดีล่ะดีละ่มมมละมหะานานมะนั่นแหละไปถึงพ่อๆเลยนะดีละดีล่ะถ้าเชนั้นเธอจงปวารณาต่อสงด้วยปัจจัยเพศสามต่ออีสีเ่เดือนเถิดยิ่เอยู่ทั้งหลายรัเกียมไม่ละปอนะทําเดินได้การพึงนู่นนั่นแต่พเมื่อพ้าเจ้า ข้าพเจาภาคีจักสรงอนุญาตว่าดูก่อนี่สุทิทั้งหลายเราอนุญาตให้ยิน <g ülme> ดีการภรวนาต่ออีกได้ก <c oughs> ็สมัยนั้นแหลที่สุทิทั้งหลายขอปัจจัยเพศั์ต่อมหานามัสักยะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นปัจจัยเพสัชของมหานามสัสสกยะจึงยังคงมากมายอยู่ตามเดิมนั่นแหละนะครับถ้าก็ขอเล็ก น, น้อยอย่างนี้นะของพวกเหลือเยอะเช่ไหมแม้ครั้งที่สามหานามสัสสกยะก็เข้าค้อบ ม, มาต้าเจ้า ถวายมงคมแล้วนัางนาดีควรสุขห้างได้กล่าวถึงว่าถ้าพุทธเจ้าประสงค์จะปอนาต่อสงด้วยปัจจัยเพศตลอดชีวิตพุทธเจ้าข้าเลยครับตลอดชีวิเลยประวัตท่านมีเยอะนะวันเป็นพระราชาอยู่แล้ไม่ต้องกัวนะครับพระพาทธเจ้าตรัสว่าดีล่มดีลามอาณาจถ้าเช่นนั้นเธอจงปอนาต่อสงด้วยปัจจัยเพศตลอดชีวิตเธอ ทิฏฐ์ทั้งหลายเราเกี่ยงไม่รับรองเลื่องารทูลเห็นนั้นแตดชาุาชานว่าเจ้าคุนว่าจ่าสรงอนุญาตว่าด้วก่อนสิฏฐ์ทั้งหลายเราอนุญาตให้ยินดีแม้ซึ่งการภาวนาเป็นนิสัยผู้ดองอนุญาตให้รับได้นะ <c oughs> ขั้นสมัยต่อม า, าพระสัพพคีรุ่งท่าไม่เรียบร้อยไม่สมูลด้วยมารายาทนะครับคงจะลุ่มล่ามล่านะกิริยาท่าทางก็ไม่เรียบร้อยครับ ถูกมหานามัสักยากล่าวตำหนิว่าทําไมเขาต้องหลายจึงนุ่งผงผ้าไม่เรียบร้อยไม่สมบูรณ์ด้วยมารยาธรรมเนียมบรัรบชิตต้องนุ่งผงผ้าให้เรียบร้อยต้องสมบูรณ์ด้วยมารยาไม่ใช่หรือครับโยมก็เตือนนะเพราะเจ้าขีา้พุงใจเจ็บนะครับโอแค้นั่น เ, เ, น, เนี่ยเป็นโยมาเตือนพระได้ ย, ยังไง <c oughs> ในมหานามสัสสกยาครั้งแล้วได้ปรึกษากัน ด้วยอุบายวิธีไหนหนาะเราจึงจะทํามหานามสักยะให้ได้รับฟัะะงไปยกมือเราคิดจะแก้แค้นนะเนี่ยนิสัยนะครับแล้วปรึกษากันต่อไปว่าอาวุโสทั้งหลายมหานามสักยะได้ตปรดนาไว้ต่อสองด้วยปัจจัยเภสัชพวกเราพากันไปขอเนรใสต่อมหานามสักยะเธอดเราจะแก้แค้นนะและเข้าไปหามหานามสักยาตามคานี้ว่า อาตมาภาพทั้งหลายต้องการเนยใสหนึ่งถนาวันขออย่างหนักถ้หนึ่งธนานไม่ใช่ธรรมดานะเยอะนะครับมานามาสังกยาขอร้องว่าวันนี้ขอพระคุณเจ้าได้โปรดคอยกอ่อคนทนสงหลายยำไปคอบนําเนยสายมาพระคุณเจ้าทั้งหลายจะได้รับทานการเนี่ยเขาก็ให้รอก่อนใช่ไหมเพราะเยอะขนานยังไม่พอนะครับคราก็ลังไปเอาที่คอกอีกต้องไปรีเอานมวัวมาใช่ไหม แล้วก็มาแปลรูปเป็นเนยใสนะครับมันมี่พอแล้วนะจะ ต, ต้องรออกตอนนำบวงแปลรูปเนยใสครับให้รอเพิ่มหน่อยแต่ก็จะาพ่อคีมไม่รอนครับเพราะว่าจะแก้แค้นเกงไม่ยอมรอนะแม้เท้าที่สองนะก็พูดขอเหมือนเดิมหนึ่งธนานนะแม้เท้าที่สามครับเจ้าสารกยะก็ขอร้องเหมือนเดิมนะขอให้รอเหมือนเดิมครับแม้เท้าที่สามก็จะเมืบบ่อคีนก็ได้กล่าวว่า ทั้งหลายต้องการเนินสดยยื่มท่านาคพูดย้ําสงสาครับนะครับมานามาศักย ญ, ญรับสั่งว่าวันนี้ขอพระคุณเจ้าทั้งหลายได้โปรดร อ, อ ก, ก่อนอคนทั้งหลายยังไปขอําเนยใสมาเพระคุณเจ้าจะได้รับคำการครับถ้าขีา่ก็ต่อว่าเลนะครับจะมีประโยชน์อะไรด้วยเนยใสที่ท่านไม่ประสงค์จะถวายแต่ได้โปรดนาไว้เพราะท่านโปรดนาไว้แล้วไม่ถวาย ก็ลูกนายเทนั้นว่าเท่าหนึ่งนะครับจึงมหานามสังญายกเพ่งเท่วดาเตรียมพุทธนาว่าก็เมื่อฉันขอร้องพระคุณเจ้าว่าวันนี้ขอพระคุณเจ้าท่างหลายได้โปรดคอยก่อนดังนี้ฉนัยพระคุณเจ้าจึงรอไม่ได้แล้วเรื่องก็ไปถึงพิสูจน์ทั้งหลายนะบรรดาพิสุทธ์กุ้งมังคเนาะสัญญอดาวว่าเพ่งเทาดาเตรียมพุทธนานะครับแล้วก็กล่าวถึงพระเจ้าทรงสร้าง ดูองทรสงสองขางทรงติดเตียก็จะบัคคีและก็ปัญศิขาคนนี้ขึ้นมาอันนี้นะถ้าอธิบายดูคึ้นมา์นี้ก่อนสักหนอนครับพิสุไม่ใช่ผู้อาภาปยินดีปรนารุด้วยปัจจัยสี่เดือนนะความว่าคุยินดีปรนาจะเพาะปัจจัยของพิสุไข่นะแม้เขาปรนาอีกก็คุยินดีว่าเราจะขอช่วงเวลาที่ยังอาภาอยู่ก็สายใจนี้เล่าล่า เขตั้งใจว่าจะขอตอนที่ป่ยเนะี่ยแม้เขาภาวนาเป็นนิดก็คือยินดีว่าเราจะขอช่วงเวลาที่อย่างลาพเดือนนคทีนีมาดูคำอธิบายในทางานนสองรอยสิบสี่เราข้อที่เจ็ดอธิบายมหานามสิกขาบทเพื่อทราบวิธีใช้สิกขาบทที่เจ็ดต่อไปคำว่าจตุมาสัพพตยาต่างวารณา ภาวนาด้วยปัจจัยตลอดสี่เดือนใช่ไหมคือการภาวณาปัจจัยแยาหา่งพิสุขค่าตลอดสี่เดือนพระธรัมทั้งหมดนั้นเมื่อพระเจ้าตัดไว้เป็นเพียงตัวอย่างก็<ม>ในการปภาวณานี้มีอธิบายดังต่อไป น, นี้จะเป็นการภาวนาตลอดสี่เดือนก็ตามภาวนาซ้ำก็ตามแล้วมากี่เดือนนะแล้วแต่ทายงเลยภาวนาเป็นประจำก็ตาม พิสูจนควรดีทั้งหมดนะครับทีดี้ได้หมดเลยคือรับปรวาาทั้งหมดนะไม่ควรปฏิเสธว่าบัดนี้โรคของเราไม่มีนะครับไม่ปฏิเสธนะให้รปรวนาไ ค, ควรรับการปรวนาว่าก็เมื่อมีโลคเกิดขึ้นเราจะขอนะครับเนี่ยสําหรับปรวนาที่เข้ามาปรวนาต่อสนะเราก็ต้องทําใจอย่างนี้นะครับคําว่าตัตโตเจอุตริสารที่ยอะยะนี้มีอธิบายว่า ถ้าทายกปอณ์กำหนดด้วยคืนวันสาเดือนสี่ดือนห้าเดือนก็ว่าไว้นะหรือกำหนดเพศนะครับว่าท่านควรขอสิ่งลาตีเท่านี้หรือควรขอเพศประมาณเท่านี้นะคร้บถ้าพิสูจ์ขอเกินกว่าที่กำหนดลาตีไว้นั้นขอเกินกว่าเพศที่กำหนดไวน้นะครับขอเกินลาตีใช่ไหมอันนี้ก็ต้องไปอีกีขอเกินเพศก็ต้องไปอีกตี ขอด้วกิจที่ไม่ใช่เภสัชนครับหมายความว่าตัวเองไม่ได้ป่วย ห, หรือไม่ได้ป่วยขนะไม่ต้องไปขอยาขอเภสัาอะไรเขานะแต่ก็ไปขอเขาอันนี้ก็เป็นแบบไปจีสศถามบทนี้นี้เขาถือไม่เขาจะปรนน่ะนะแต่เขาา้เข า, ป า, า, ปาปรนสอนะครับถ้าปรนปัจจัยเภสัชแก่สองนี่ยนะไม่ป่วยนี่ไม่ได้นะต้องป่วยบางทีจะขอได้นอกจากว่าถ้าปรนสืบดูว่มีปัญหาอันนั้นอย่างหนึ่ง นี่เขาปรนาส่งตอนประมาณนะถ้าไม่ปลุกจะไปขอไม่ได้นะครับเนี่ยขอเรื่องกิจที่ไม่ใช่เภสัชคือไม่ได้ปลุก ไ, ไปขอเขแต่ขอมาฉันขอควากินเงี้ยหรือขอเภสัชอื่นด้วยกิจแห่งเภสัชอื่นอันนี้ถ้าอธิบายว่านะครับมันก็ว่าเขาปรนนด้วยในสายถ้าไปขอน้าํามันเขาปรนนหนึ่งอัตราการนะถ้าไปขอหนึ่งโทนะตหนึ่งธนาอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าขอเ พ, อเพนะอย์ซัพอรือเรื่องกีจเน้นเพย์ซัะก็ต้องบัดบาทตีนะครับทุกกรณีเลยนะขอเกินกาหนดลางตีเกินกาหนดเพย์ัพหรือขอเลืกิที่ไม่ใช่เพย์ซัหรือขอเพย์ซัพอืินจากที่เรอาโกวนะครับทั้งสีง่กรณีเนี่ยนะต้องบัดบาทตี น, นี่นกรณีเข้าโกวนาสมองได้ทำอย่างนี้ เหตุเก hey, ิดแล้วประเภทอาบัต น, นะครับสิขาบทนี้เมื่อพระเจ้าทรงปรลอบพิสุชาตคีในสกาชนบทบัญญัติได้แล้วต้องเหตุ hey, คือการขอเทสังนะครับเป็นสาตราณบัญญัติพิสุลีก็มีเหมือนกันนะ <c oughs> อนันติกาไม่เกี่ยวการใช้น ะ, ะ <c oughs> ขอเองนัน่ต้องแบบเองติกาปาหยี น, นะครับคืออะไรเ <c oughs> กินกําหนดแล้วนะครับเข้าใจนะครับดีกั่าติกาปาหยี ในการกระหนดเพศสัตว์ที่สุขอเพสัอย่างอื่นนะครับนี่แหละใช่บรกาศไปอีกทีนะอ๋อเหมือนกันนะในการกระหนดเพสันะครับที่สุขอเพศสัอย่างอื่นนอกจากเพศสัที่เขาโผลนะต้องบบบไปอีกทีในการกหนดการที่สุขอในการอื่นนอกจากการที่เขาโปลนะต้องแบบไปอีกทีบรรยากาศไปอีกทีเป็นอย่างนี้นะนะครับ เกิดกำหนดเพศะนะขอเปศอย่างอื่นนะครับนี่ก็ไปอีกทีขอเปศนอกการจากที่เข้าภาวนาไม่ต้องไปอีกทีในการกำหนดทั้งเพศกําหนดทั้งการที่สุขออย่างอื่นนอกจากเพศที่เข้าภาวณาและในการอื่นนอกจากการที่เข้าภาวนาต้องกลไปอีกทีนี่ติดการไปอีกที น, นี่ท่านจําแน่งนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอย่างนี้นะเกยกําหนดแล้วนะครับเข้าใจสงสัยทำผิด ไปขอก็ต้องบัตรทั้งนั้นคือไครับหรืก็ยังไม่เกินขอบเขตที่เขาปรนนาไว้สําคัญว่าเกินแล้วหรือมีความสงสัยยังไปขอก็ต้องบัตรทุกบนะครับอาณาบัตรที่สูดไม่ต้องอาบัตเมื่อยังไม่เกินขอบเขตสําคัญว่ายังไม่เกินแล้วจึงขอมาได้ ไม่เกินคนทั้งรู้ใช่ไหมขอภาวนาด้วยเพศสัตว์เหล่าได้เนี่ยเขานะครับภาวนาด้วยเพศสัตว์เราได้เมื่อมีความต้องการด้วยเพศสัตว์เหลาอื่นจากที่ปานาไว้นะหรือต้องการมากกว่านั้นบอกตามความเป็นจริงกล่องของที่ทําได้นี่เฉพาะวิสูที่ปูวยนะสามารถบอกเข้าได้ตามจริงนะครับเขาภาวนาด้วยเพศน้ํามันเราต้องการในสายรอยป่วยก็บอกเข้าได้ ก็ตรงนะแค่สี่เดือนต้องการเกินนี้มอะไรเวลานะเขาบอกเขาได้ครับะที่เจ้ปยหรือนะครับอะไรนี่เหมือนกันนะนะครับต้องการมากกว่านันเหมือนนะบอกตความเป็นจริงก่อนขอได้หรือนะคะรับ ล, ล่วงละตียนี่เนื้อความมันตกไปเนะียผมให้แก้คำนวณใหม่ะคะรับล่วงละตรีที่เขาปรนามไปแล้วเมื่อมีความต้องการอยู่ บอกนางความเป็นจริงก่อนจึงขอได้นักเกสีเดืยดจะมาแล้วการนยมจะมาปวขอกับญาาิขอกับคนที่ปรณาเป็นการสืบตัวไม่เป็นไรถ้าก็ปรานการสืบตัวใช่มโยมขอปรนามคุณเจ้าไม่เป็นศร้าไม่ได้บอกว่าเราจะปวยหรือไม่ปวยใช่ไหมบแว่าขอปรณาน่เป็นศัตาเพราะว่าตัวแล้วขอได้ไเป็นไรเขาปราแล้วสืบตัวด้วย ขอกับบุคคลที่ปรนนาเดินไม่ได้เงือนขอเขตไว้หนึ่งดาเนี่ยไม่ได้เงือนของเขตใช่ไหมท่านจะเอาเท่าไหร่ก็ได้จิตเ็นจิตปีก็ได้ยอมปรนนตลอดชีวิตแล้วขอไปเลยอีกดาวจะต้องโผล่นะเนี่ยจะต้องปผล่นี้ยังขอเขาได้ครับคับคับ เขาขอปลน่าเฉยแต่ไม ikal, ่ได้กำหนดไม่ได้บอกว่ากำหนหรือไม่กําหนดใช่ไหมครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้กําหนดอนะครับโยงขอปลนาด้วยเภสัชใช่ไหมนะครับไม่ได้กําหนดนะอันนี้นะเภสัอะไรก็ไม่ได้บอกแว่าถ้าเป็นยาแล้วก็ขอได้หมดถ้าเป็นเภสัชนะและก็ไม่ได้กำหนดระยะเวลาด้วยนะครับก็ขอได้ครับอันนี้แหละที่เขาไปเทียบเคียงกับการที่โยงขอปน่าอย่างอื่นใช่ไหม ทีมันไม่ใช่เภสาณ์นะภาวนาอ่างอ่นภาวนาปัจจัยสี่ประจัยห้าทั่วไปนี่ไหมครับเนี่ยเขาก็ไม่ได้กำหนดนี่นะแล้วขอเรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็ดู ว, ว่าแล้วกันถ้ายังมีสัจชาถ้ายังมีอะไรไม่บานะ <c oughs> แลเราก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเขสมาได้กำหนดหรอก <c oughs> อฮ้ยขอเพื่อประโยชน์แก่ที่สุดอื่นนี่ได้ น, นะครับคือถ้าเพื่อเราป่วยนะเราก็ยขอให้ได้เลยครับ <c oughs> นี่นะ หรือขอในญาตได้โปรดนของวิสุทธ์นั่นแหละเพื่อวิสุทธ์นั้นนี่ได้ะครัออยถ้าเราป่วยเองก็ดีนะเราข อ, อยาได้เพื่อเราป่วยก็ดีเราก็ไปข อ, อยาตมาให้เพื่อนได้ะครับถึงมม้คนที่ไม่ใช่ยามเช่นโปรดนะที่มาขอด้ครับในตอนนี้ที่ป่วยนะแลกมาด้วยสิ่งของของตนเอาเอากัปยาพันไปแลกมาด้วยกับปยมหา น, ะนะะั่นแหละแลกวสุทธบ้านเป็นต้นก็ไม่ต้องอ่าน ตรงนี้ผมก็เอาสบู่สบู no like ่อะไรนะสบู่หอมผาดิกรรมมันจะหมดข้องคลังสบู่หอมที่เป็่เน้ของกานที่แจกกันเราบนั่นะเหลือแต่ที่เขาแกะซองมาแล้วนั่นคงผาดิกรรมไม่ได้นะเพราะบางทีพลาดเอาสิ่งหอมไปใช้กันนะครัใช้ของหอมไม่ได้พิสูจน์ใช้ของหอมไม่ได้นอกจากม่กลิ่นตัวแรงกลินตัวแรงเหมือนกับกลิตัวม้าท่นบอกนะมันต้องกลินตัวแรงจริงๆนะครับ ไม่ใช่ว่ากินตัวเหม็นอะไธรรมดาแล้วก็อ้างแรงไม่ได้นะมันมีอาบัตนะครับเป็นนําบัตพุกโกลนะใช้รองหอมนะต้องขนาดในลักษณะประพาโสหรือเป่จะใช้สมุนหหอมนะ้ถ้าธรรมดานี่ยไม่เสียว่ากลิ่ตัวแรงนะอย่างนี้นะครับเราวก็ใช้สมุที่ไม่หอมนะสมุนเรียบตองหรวออาเซ็ทซอเรามีพวกสารเคมีเฉยๆนะเมื่อใส่น้าหอมนะครับมีสารเคมีแล้วก็น้ำยา มันเป็นผสมน้ําหอมใช้ได้แต่ที่ใส่น้ําหอมไม่ได้นะยี่ห้อหรือมันมีน้ําหอมหมดเลยนะครับมันจะมีแค่สามอย่างที่ในห้องครั้งที่ไม่มีน้ําหอมนะ่ะอเทมโซ่เน็ตตอนแล้วก็อะไรอีกอย่างเนะี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับไม่มีน้ําหอมนะที่เหลือในมีหมดเลยนะแล้วก็เน็ตตอ น, U, ตอนก็เฉพาะไอ้สูตรออริจินอลนะครสูตรนั่งเดิมเนะี่ยสูอรก็หอมหมดเลยนะไม่ได้นะครับ ใช้ของผองไม่ได้มีอาบัติโดนเลยใช้น่าจะกินื่อวานนั่นะหนังจริงๆครับใช้ได้ก็เลยเนี่ยก็เลยผากิกรรมให้ผากิกรรมเป็นนั่นน่ะก็เป็นสบู่เด็ดตอกแทน้องใส่ร้อยก้อนกินร้อยก่อนบอกแกถ้าไม่พอก็ใช้ปัจจัยสิงกานะครับอไได้เอาใช้ได้ และพ่สูบา่าเป็นต้นก็ไม่ต้องอ า, บาอรบสิคราบวันนี้มีองค์สี่เหล่านี้คือหนึ่งทายกปรานากับสงเนี่ยต้องเป็นการปรานาสงนมยไมรู้ประมาณและก็จะพอยเวลาที่ป่วยนะครับสองที่สุขอเพสัตจากที่ปรานานั้นสาี่สุไม่ได้เป็นไข้นี่ไงถ้าป่วยเป็นไแล้วก็ไปบอกข้อการจริงได้ใช่ไหมไม่ได้ป่วยเดินไปขออะเท่านี้ สี่ที่สุขอเกินของเขตที่เขาตภาวนาไว้เมื่อพระองค์สี่นี้ก็ต้องอังบทไปตีในสิดฐานบทนี้นะครับสมุดฐานเป็นต้นเป็นเช่นกับสันจิตต์สิดขานบทแรกอ้าสูดฐานเท่าไหร่ครับสันจิตต์ส่ดหกเลยะครับถูกต้องนะครับคือถ้าไม่มีจิตก็คือเราเข้าใจถือว่ามันยังไม่เกินกําหนดใช่ไหมอันนี้มันมีจิตไยขอด้วยกายก็ได้ น, นี้วางกาจา ก, ก็ได้ ดีทั้งการและวางากใช่ไหมครับถ้าเป็นจรคือรู้ทั้งรู้หัวนะแล้วก็ไปขอมานีนะครับนี่นะอ่าสรนะครับจบการอธิบายมหานามสิทธาบทาานารก็ได้ถือว่าเป็นคนนากให้อยาะได้ครับความจริงเกี่ยวกับคนปร์าวนาที่จะบอกว่าการให้สิ่งของคนปร์าวนา โดยตรงเกี่ยวการให้ยาครับเนี่ยปรนส่วนตัวนะปราส่วนตัวทํายาให้ได้นะครับที่พูดโดยตรงนะแต่ยาอื่นมาไม่ได้บอกโดยตรงัยาอื่นนะให้อออนนะของให้อะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้บอกโดยตรงรยานุพันธ์ก็เลยท่านเลยแนะนําว่าให้ใช้ขอ ง, ง ว, ว่าอะไรท่านเองก็ว่าสาะนะครับท่านเองก็ว่าสาะนะครับหรือว่าท่านไม่สูงควรแก่กราวอย่างนี้นะ ถาเช่นนว่าสาวข้าดิ้งอย่างนั้ น, นะครับหรือว่าเราไปทําอะไรไม่ได้นะครับหนนีน่เพราะว่าในที่นั้นอ่ะถ้าเป็นโยมพ่อโยมแม่เรามีปัญหาใช่ไหมถ้าเป็นยากก็ยังได้มึงอยากให้ผลไม้ให้ดอกไม้ให้ใบไม้ใช่ไหมในกุหลาบชูแล้วนะให้ยากก็ไม่เป็นนะครับคนนั้นนะได้ถ้าเป็นโยมพ่อโยมแม่เนี่ยเราอะไรนะเอาไปให้เองได้เลยใช่ไหมนะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้ายากเราอื่นน่ะ ต้เรียกมาให้เขามาเอาเองใช่ไหมเป็นอย่างนี้นะนะครับแต่ถ้าเป็นยาพ่อแม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นยาของเราอื่นนะถ้ายาดั้เขาญาของเราอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่โบราณส่วนตัวไม่ใช่ของปัสสาวะพ่อแม่อย่งนี้เป็นยาธรรมดานี้ไม่ไม่ได้ใชครับแต่เราบอกสูตยาเขาน้าเราบอกสูตยาเขาน่าถ้าให้ได้ยังให้ยืม แต่ถ้าเขาไม่คึนก็ไม่ต้องทัวร์หรือทำแจมให้ยิงนี่ก็ได้เลยครับยิงวิธีนะอย่นีน้ในโบนาวยาส่วตัวเนี่ยก็เหมือนกันมอ๋ออ๋อยาเกษจะกงไม่ใช่เป็นโบนาทเขามัะนะอนเดิมคนอ่านกันนะโยบนา ใ, ให้ไม่ได้เลยครับถ้าไม่ใช่ยาติเรานี้ยครับนี่เดี๋ยวก่อนนี่ก่อนนะใช้โยบนไม่ได้เลยครับอันหมายถึงวยาเกษจะกรที่ให้ได้ขอครับไม่ใช่โยนานะ วายาวจักรนะครับที่ให้ได้ทายาให้ได้แบบนี้นะนะครับถ้ายองโปนาเนี่ยให้ขอเไม่ได้ครับนี่ขอได้พวกนี้ขอได้แค้ไม่ได้แต่โยมวายาเนี่ยให้ได้แต่ขอไม่ได้บอกได้เฉพาะในปัจจัยในมูท่านที่เราสามมาบอกก็ได้นะ ถ้ามันเหลือก็มีปัญหาถ้าเราก็ให้ใครไปได้เพราะมันเหลือนี่มันเราฉันตอนเยไม่ได้มันเป็นของเหลือของเดชนะครับทันตกะผู้จองมานโยทำงานว่าอะไราก็ให้ได้มมีปัญหาครับคุณรับอาหารเหลือนะครับแต่ทันตุกามันต้องต้องรับอยู่แล้วนะอาหารเหลือไม่เหลือมันต้องให้ยิงแล้วนะครับแต่ที่เขาแนะนำา่าไม่รู้ว่าจะดูไมู่กะครับือว่าถ้าราเนี่ยทุกอย่างเลยใช่ไ นี่เลยนะเอาทั้งฉัเลยเอาว่ามันเยอะเกินเราไม่ต้องการแล้วเลยเขาเป็นวางไม่ต้องบอกโยงนั่นใช่ไหครับเอาก็ไม่ได้นะมันไม่ได้เราต้องดูนเขาเป็นเป็นญานเปล่าเป็นอยู่พ่ออยู่แม่หรือเปยนอมันจะส่ตัวหรือเปล่าคือเพราะงั้นเราทำเก็เป็นขอส่วตัวอะไรอย่างเงี้ยออ นอกจากว่าถ้าของเนะี่ยขอที่ไม่สมควรไม่สมสุขเทียเนียอันนะั้นคนเหนนะแล้วก็บอกเนี่ยโยมไม่สมควรแก่สมณะแล้วก็แล้วอาตมาสะนะลักเนี่ยแรกก็จะเอาไปถ้าของที่ไม่สมควรได้บางทีรองท้าไม่สมควรโยมอะไรให้ถวายมานี่นะเนี่โยมสมคงก็ถวายมาเนั้นอนะ่ะคู่หนึ่งกับพันธุนไ์ไก่ราเท้าใหญ่ๆนั่นนะแล้วก็ดูแบบนี้ดีครับใครทันเข้าไป ต้องดูเขาไม่ได้นะไม่ได้ทั้งหมดต้องดูแต่คนด้วยมยังไม่มีโอกาสทำมันมีโอกาสทำอ่าครับเป็นขั้นการที่เราที่เราต้องทำอืมอ่าแล้วไปหให้ไได้วิญญาณพิ่ตวตัวกับภาวนาที่ไนอ๋อแต่สันะครับวิญก็จะกอาตวตัวเช่นพุมเล่โยมจะรุ่งใจใช่ไหมครับเป็นวิญา คือถ้าเรามีใบปรวนาอยู่เนี่ยเขาช่วเหลื อ, ร, อราอย่านี้อยู่นะก็ถือว่าเป็นมายาส่วนตัวของเราได้ครับยมปรวนาเป็นมายาส่วนตัวครับอ๋อหมายเพราะว่าค่อยจะปรวนาก็ยังช่วเป็นยมปรวนาอย่างเดิมนอกจากว่ายมวยางนั้นเข้าปวนาเราด้วยนะชื่อว่าเป็นทั้งวายาเป็นทั้งปรวนา นอ่จากวายาที so like ่มีคุณแมเรี่เป็นิกรอยู่แล้วใช่ไหมและยังมาปวนาสามีนะครับอาจจะถูกใจภาพรูปไหนนะก็ขอปวนาตัวตัวนั้นขออีกทีอันนั้นก็อีทีครับถ้าปวนานวายาท่มีครอัโยงช่วยเป็นบอกวิทยุวิศกรให้ยงม่ได้ช่วยเป็นกรให้หน่อยเลยชวเนีิยุวรคือในกรณ์ที่แบยังมีวายา ว่าเราไปอยู่วัดอื่นใช่ไหเราอธิบายที่ไหนเขาสารไ้ครับแล้วใ้าชื่องนี้ครับเพรา่าเราไม่บอกคงไม่รู้ใช่ไหมเราอธิ บ, า, บายที่ไหนเลามทีไปจะตั้งสำนักใหม่ไปที่อื่นนี่มันทีลาบากต้องหามายไจงก่อแล้วก็สามารถแนะนำโยมญใครมีศรัทธาไหมสต้ญญางอาติวายาขึงขวายชื่อเดียวกัสง์นี้นะไดนะ้อาโคสิสาธุนากัน <c oughs> คอเข้าเป็นคอเป็นแบบอาบัตก็ไม่มีนอกจากว่าอย่างเนี้นะไอเกี่ยวกับการตั้งโปราภณคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราจะไปตั้งกันเองพื่อนเพื่อนนั่นไม่ได้แต่เช่อตอนนี้เนี่ยอิปมาเล่จะยอมจะดึงใจนะถ้าเป็นวายาถูกไหมครับดีๆแล้วก็จะอนะไรจะให้อีกคอหนึ่งมาเป็นวายาพระส่อตแทน ถือปัจจัยคือโยมภูมแรกกับโยมใจรุ่งใจใช่ไหมครับยูดีแล้วก็จะไปทวง ก, กับอีกคนหนึ่งเลยให้เขาเป็นวิญาณให้เราเลยใช่ไหมครับอย่างนี้นะยูดีแล้วนครับไม่ยังไม่ได้ครับไม่ได้เราก็ต้องบอกคนนี้แนหะรหรือว่าต้องต้องคุยกับวิยาณก่านันก่อนนครับเกินเนี่ยคือผมเราเป็นเรงจริงเนี่ยแหละคือีอะไรก็จะ แต่เราบอกก็ให้กป็นบอกโยมจุใจนะบอกนี่นะครับมากนะครับเขาอยมน้อจะไม่ใช่มาญาติถ้าให้บอกยมจุลใจนะครับเขาเรื่อะไรก็จะยมน้อยแต่ว่าต้องการแย่ครับแต่เด็กในเ็เ่อนครับมีล้วก็บอกว่าให้เคยบอกจุงใจใช่ใช่ใช่ถูกนะ เขาหยุดนัเกมไม่ได้เป็นวายาติตองทุนทา ง, างนี้นก็เลยบอกอับโยมจะุงใจ แ, แต่ว่าจา์พยองก็เคยพูดอีกทีหนึ่งท่านก็บอกไม่ถึงแต่ผิดเลยเพราะว่าอย่างเช่นเวลาที่เข้ามาเนี่ยเข้าปัจเจไปฝ่าโยมจรุงใจคขาเขียนใบให้ไปขอโยมจรุงใจได้ซ้ำนะใช่ไหมเขาาก็ได้เขีเชื่อคุณมาลแล้วใช่ไหมแต่เราก็ไปขอคอุณมาแล พ่อถือว่าเขารู้กันเพราะเป็นวยญญาณคานหนึ่งเขายะไปติดต่อกันเองใช่ั้ยครับอันนี้อาจารยมม์พยายมไม่เกรงผู้นฉัยก็ว่าไม่ผิดนะถ้าว่าไม่ผิดเพราะว่าเขารู้กั น, นะครับนี่นะเขารู้กันก็จะไปบอกกั น, นะครับในจุด น, นั้นพวที่เาจะรงใจจะลงใจไปสังไปถั่ส <laughs> ั่งกันเยมะหน่อยสั่งกันเยอมาแรกนนนะครับท่านก็มีแฉมาได้ ก็ไม่ผิดนะอันนี้ครับท่านก็ไม่ได้ใช่ไหมเพระผมอะไรก็ต้องคือข้าวษาตัวข้อไหนเราข้าวษาเป็นวายุปัจจุกลชครับเป็แต่ทายยกเไม่ได้บอกเราขอคนนี้แต่เราสามารถบอกข้าในคนนี้เขาเป็นคนที่ผลขวาญช่อเหลือนะแล้วก็จะเปติดสอตามพยายามตัวจริงสอบอืาก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะไม่มีผิดอะไรนะนี่นะครับมันจะมีอะไร เกี่ยวกับการตั้งวัยประจากรคนใหม่ที่เราบอกว่าวัยประจากรมีสื่ อ, อย่างใช่ไหมครับทวนหน่อยที่เราเยนผ่านมาหนึ่งวัยประจากรที่ที่อาศาเป็นเองส <c oughs> อง <c oughs> ใ, ใครสแสดงอ่ะ <c oughs> วัยประจากรที่ทายกชด วัยาพจารณที่อาศัาเป็นเองวายาพิจกร์ที่ที่สุดแสดงและวัยาอีกเท่นหนึ่งเป็นไม่ใั่จเ็ไม่ใไชวัยยาจำเป็นไม่มีจไม่ได้คอาวนมันก็ต้องขึ้นวายาที่นีแบบอันนั้นผ่านแล้วครับคันเตวอานั่นอันเดียกฐายกครับ มื่อกมีสามวิยาวิทยกรที่ทางย่อแสดงใช่ไหมวยาจุฬาที่เสนอตัวเป็นเองวยาวกรที่พิสูจน์แสดงแล้วก็อีกข้อนึ่งสี่ยอดสี่ยิงขยายแสนได้เป็นสิบแต่เรายอดได้สี่ใช่ได้ถึงย่อครับวิยาวิทกรรับหลันะครับเอาเอาวยาที่พิสูจน์แสดงเนี่ย เราทวงได้สามยืนได้หกใช่ไหมตาสื่อขาบท น, นั้นใช่ไหมครับวัยวจิกรที่ทายสแสดงเนี่ยขอได้ไม่ จ, จํากัดเลยกี่ครั้งเป็นหมื่นครั้งก็แล้วแต่เอย่างเช่เขาถีนใบ ป, ปัวนามให้เราเสร็จเนี่ยอันนี้ทายเขาแสดงเองใช่ไหมครับอันนี้ขอใครคนนี้ะนะนี่นะวัยวจิกรเสนอตัวเป็นเองกบยากลับหลังครับอันนี้พระทวงอะไรไม่ได้ทู้อะไรไม่ได้อะไรนะเขาจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็แล้วแต่ เพราะว่าอันนั้นเขาสูงตัวไปแล้วก็ล่มหลังข้ามไปเรื่อยแล้วทีนี้วญญายาเกษตรกรที่มันบอกว่าที่ทายกะสะแสดงนะถ้าเราไปทวงแล้วนะครับมาทวงกี่ครั้งก็ได้ทวงยังไงก็ไม่ได้เขามายอมให้นะครับถ้าบอกว่าเราสามารถตั้งเปยนเกษรกรคนใหม่ขึ้นมาได้เกรกรนี้นะวญญายเกษตรที่ทายกเขาแสดงเราก็ไปทวงกับวายาแล้วไม่ได้ถ้าบอกว่าเราสามารถตั้งวญญายาคนใหม่ขึ้นมาได้การตั้งวญญายา การไปบอกโอมอีกคนหนึ่งให้ช่วยทวงให้เราหน่อยนั่นเองนะครับนี่นะบอกโอมอีกคนให้ช่วยทวงให้เราหน่อยให้ไปจัดการให้หนะอย่างเงี้นะที่พูดถึงการตั้งวิงญาณพระจักอีขึ้นมาหมา่ที่เราพูดถึงคือเป็นลักษณะนี้นะครับ mm hmm. ผมก็มีจีแต่นะั่นแหะไม่เป็นอย่างนี้นะก็จะให้โยมถ้าเป็นยากเราเนี่ย ก็มีปัญหานะล้วก็เสนอเยาวชนเกาะอะไรได้ที่เขาไม่ถามนะเราก็บอกเลยยศพ่ อ, อยศแม่เราเราต้องการถว า, ปายปิดใจที่สมควรใช่ไหมเราบอกนั้งหมดเลยเแเราก็ตั้งวายาบอกวายาทั้งหมดเขาเป็ปัญหาเราตอนนั้นผมก็ให้เนี่ยที่สำํำนักเข้าช่วยเขาไม่ยอมช่วยนะเราตอนนั้นไม่ได้ยินดวงใจเป็นหนะ้าคนอื่นใครไม่ยอมช่วยนะเราแล้วไปเข้าเป็นวายาอยู่แล้วนะแต่เขาไม่ยอมช่วย คนดียากผมก็จะโอนปัจจัยมาครับที่สาวนะผมไม่ใช้กับพิญาบูหานแหละไม่ได้บูให้โอนหรอกนะ<ม>แล้วก็บอกเนี่ยมีวายาอยที่นี่นะซึ่งมึงต้องหาของที่นี่แหละก็ต้องใช้ปัจจัยของเราครับแล้ว ก, ก็รู้ว่าเนี่ยมันต้องโอนมาให้คนนี้แต่คนนี้ก็มาโยกทั่วยครับทำเนี่ผมก็เลยต้องไปบอกโยกอบกคนกนึงให้ชื่อเป็นวายานะซึ่ ง, ยงยโยก น, นั้นก็เป็นภาวนาผมนะครับผมก็ไปช่อเป็นวายาของพอริยากเขา ผมต้องการถึงนี่นะมันจยากเขาจะส่งปัใจจัยใดมานะี่นะเนะี่ยผมก็ไปบอกคนนั้นก็ช่วยได้นะทนี้หมก็ตั้งไม่ไตั้งปัยญาที่มันจะเราไปบอกนะไปบอกเขาไปเขาอันนี้ก็ได้ถ้าไม่ติด อ, นะอ่านเนเขาเขาประกรัครับในการที่สุิ่งที่ใก็ให้โยมดีอารามั ให้โยมพ่อยยมแม่ใช่าผมพูดอย่างสงสัยอยู่นะเพราะว่าห า, า ย, ย่อกหนึ่งใคยขอสิ่งที่สมควรจะสมณะใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ไปใึ้โยมพ่อโยมแม่เรามันกลับเป็นตัวเงินเหมืนอนก็ว่าบอกให้ผมไม่รู้ว่าเขาพูดยังไงนะและให้ยุยายานะ่ะโอนไงไม่ให้โยมพ่อโยมแม่มไม่รู้เขาพูดยังไงเพราะว่าเขาบอกให้ขอปฏิบัติสมควรแก่สมณะแล้วก็ขอให้แค่นี้ใช่ไหมครับ ถ้าเราจะบอกให้พี่ยอมพ่อพีนแม่แล้วก็วได้ใค่ของที่สมควรแก่สมณะนะผมก็ยังไม่รู้ว่าใช้คำพูดยัง ไ, ไงไอกระองตาไม่ยอมว่าจมาจัดแจงเร้่องเงินไม่ได้อนยะู่แล้วยินดีได้แต่ขอที่สมควรไม่ใช่ไม่ได้วป็ฝากเอาเอาปอนาไปฝากธนาคารหรือเอาให้พ่อยี่ยแม่เนี่ยผมก็ยังไม่รู้นะว่ า, วาใช้สมมูลยังไงครับอย่างเงี้ยนเะพราะเราไม่มีสิทธิ์เงินในอ ไม่ฝากค่ะไม่ได้ไว้เดี๋ยวพอเดี๋ยวแม่คนไม่ได้เพราะว่าเงินองไม่ใช่ของเราของเสื้อผ้านะ่ยไปมีได้แต่ของนะครับนั้นแหละก็มาเนี่ว่าเอออาต้องการกะปิปาเ็นะเอาไปอยโอมออ๋อนนได้ได้เราต้องการกะปิฟาเคมาก็บอกได้สมควรหนิเนไม่ได้หมายถึงโอนตมันนะ